ข้อความในปฏิสัมพิทาต่อจากครั้งที่แล้วซึ่งช่วงนี้เราเรียนถึงภาเวตปธรรมภาเวตปธรรมแปลว่าธรรมที่ควรเจริญควรเจริญหรือเป็นธรรมที่พึงเจริญแปลเป็นภาษาไทยอีกครั้งว่าต้องเจริญมันถ้าไม่เจริญนี่ก็ออกจากทุกข์ไม่ได้เพราะว่าอย่างที่กล่าวว่าสาระของการรู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่ง กำหนดรู้สิ่งที่ควรกำหนดรู้ละสิ่งที่ควรละที่สำคัญมากก็คือการเจริญในสิ่งที่ควรเจริญเพราะถ้าไม่มีการเจริญในสิ่งที่ควรเจริญแล้วจะมีคุณธรรมอะไรนำออกจากทุกข์ถ้าหากว่าเราเจริญในสิ่งที่ควรเจริญผลของการเจริญในสิ่งที่ควรเจริญก็จะทำให้แจ้งซึ่งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งเพราะว่าต่อไปนี้ ข้างหน้าต่อไปจะมีว่าทมที่ควรให้แจ้งคืออะไรบ้างเช่นโสดาปฏิพลสกธ า, าคามีผลอนาคามีผลและอรหัตผลอริยผลเหล่านั้นที่ทำให้แจ้งก็เนื่องจากการเจริญสิ่งที่ควรเจริญคือเจริญอริยมรรคที่ควรเจริญทีนี้อริยมรรคที่ควรเจริญนั้นในพาเวตปธรรมให้ความสำคัญกับสัมมาสมาธิเป็นพิเศษนะ ในในในพาเวตาประธรรมนะยกย่องสัมมาสมาธิเป็นพิเศษเหตุผลว่าทำไมจึงยกย่องสัมมาสมาธินะนะโดยมากก็ชมชมชมสมาธิใช่ไหมทำสามที่ควรเจริญคือสมาธิสามทำห้าที่ควรเจริญคือสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ห้าหรือมีองค์ห้าทำสิบที่ควรเจริญคือกสินสิบทุกอย่างเป็นสมาธิหมดเลยทำไมจึงให้ความสาคัญเช่นนั้น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 จะไม่มีคุณภาพมากถ้าไม่มีสมาธิเป็นเหตุใกล้ปัญญาของผู้ใดก็ตามถ้าไม่ตั้งมัน่นถ้าจิตไม่ตั้งมัน่นปัญญาเหล่านั้นจะทำกิตได้ไม่เต็มที่คาถาธรรมบทคุถการนิกายพระองคตว่าปัญญาย่อมไม่ไม่มีแก่ผู้มีจิตไม่ตั้งมัน่นเหมือนดอกกระทุ่มบนหลังบนศีรษะคนหัวล้านนะนะเป็นเนบไม่อยู่ ก็เอ า, าคนหัวลานี่มาเน็บดอกกระทุ่มได้ไหมอันนี้ไม่ได้พูดกระทบกระเทียบพูต้ต่างคำพี น, นั่นเองสว่าพระโกนผมเสร็จแล้วให้ดอกกระทุ่มมาเน็บจะอยู่ไหมอ่อไม่อยู่อยู่แล้วเนี่ยนะเดี๋ยวก็จะว่าโยมอย่างเดียวพระของผมพระก็ปลงผมไม่เหลือสักเยียนะนี่พูดถึงว่าเหมือนลูกฟักบนหลังมา้าเอาฟักแฟงแตงกวาเป็นต้นไปวางบนหลังมา้าจะวางอยู่ไหมฉันใดผู้ที่ใจไม่ตั้งมั่นมีจิตฟุ้งซ่าน นิวรณทั้งหลายกลุ่มรุมจะมีปัญญาวิจัยอริยศัสตร์ได้ไหมปัญญาจะทำกิจได้อย่างเต็มที่ได้ไหมพรานจะต้องหนุนปัญญาขึ้นมาหนุนปัญญาให้โดดเด่นทําปัญญาให้มีคุณภาพหลายๆแห่งกล่าวทั้งว่าสมาธิเหมือนกับหินลับมีดปัญญาเหมือนกับคมมีดหรือตัวมีดทั้นปัญญาเนี่ยนะจะต้องอาศัยหินลับมีดเป็นตัวรับปัญญาจึงจะคมฉันใด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 สมาธิท่านคนที่มีความสงบอยู่ด้วยความสงบใจเป็นสมาธิชีวิตก็อยู่เป็นสุขเมื่อชีวิตอยู่เป็นสุขนั้นตัญญาทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นเขาบอกว่าอาระยะธรรมทั้งหลายวัฒนธรรมทั้งหลายเกิดในดินแดนที่อยู่ด้วยความสงบร่มเย็นเพราะว่าคนจะมีจิตใจสงบเมื่อมีจิตใจสงบมันก็กล้าคิดอะไรที่สบายๆที่ที่เกิดจากความสบายใจ อะไรก็ตามที่เกิดจากความสบายใจแล้วคิดออกมาสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งประณีต ก, การวิจัยอริยศาสตร์ก็เหมือนกันถ้าอยู่บนพื้นฐานความสบายใจจะวิจัยอริยศาสตร์ได้อย่างเต็มที่อย่างกําหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้ก็คืออะไรก็กําหนดรู้ทุกขศาสตร์ทั้งหลาย ให้การกําหนดรู้ทุกข์กษัตร์ทั้งหลายชาดิพิทุกขาชร า, าพิทุกขาความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจเป็นต้นก็เป็นทุกข์คนที่พิจารณาทุกข์นี่คือคนที่กําลังทุกข์ใช่ไหมบอกคนที่กําลังมีความสุขมากหยิบเอาความทุกข์เหล่านั้นมาพิจารณาเห็นไหมเมื่อมีใจมีความสุขเมื่อมีใจตั้งมัน่นเมื่อมีใจสงบแล้วเอาความทุกข์มาพิจารณา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 นั้นผู้ที่มีปัญญานั้นจึงเป็นผู้ที่ต้องมีความสุขมีความสงบถ้าไม่มีความสุขไม่มีความสงบอย่างแท้จริงปัญญาก็ปัญญาก็เหมือนกับว่าคนฉลาดอยู่ในแวดวงที่เกลือกลัวไปด้วยความเศร้าหมองคนตาดีแต่อยู่ในสถานที่ที่มีฝุ่นละอองตลอดเวลามันก็ไม่มีประโยชน์มันจะต้องอบรมบ่มสมาธิทําจิตให้ตั้งมั่นทีนี้ถามว่าสมาธิจริงๆเนี่ยอะไรเป็นตัวเกื้อกูลให้มีสมาธิ ท่านบอกว่าสติสติที่รู้คติแห่งธรรมต่้งหลายอย่างคิดง่ายๆว่าอย่างของของเราเนี่ยนัยุคใหม่เข้าใจสมาธิว่าจะต้องไปทําให้มันนิ่งซะก่อนไปไปทําอะไรก็ได้ให้มันนิ่งอย่างเดียวก่อนแล้วค่อยหยิบเอาปัญญาเอ่อเอาความนิ่งเป็นบาตแล้วไปพิจารณาอะไรแต่ตามหลักในพระไตรปิฎกอัตถกถาท่านบอกว่าสติ กำหนดรู้แห่งคติของธรรมทั้งหลายเมื่อมีสติดีแล้วใจมันตั้งมั่นเองคือถ้าหากว่าอะไรก็าตามที่ทำด้วยสติสัมปชัญญะทำด้วยสติที่ประกอบไปด้วยปัญญารอบรู้ว่าอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรละอะไรควรเวน้นอะไรควรเพิ่มเติมควรเพิ่มพูนถ้าสติชี้นําในทุกเรื่องใจมันตั้งมั่นเองเพราะว่าคนนั้นมีความไม่ฟุ้งซ่านโดย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 อย่างสังเกตดูธรรมดาทั่วไปเนี่ยคนที่รอดคิดอะไรได้ตลอดสายใจเขาตั้งมั่นหรือฟุงซ่านเขารู้ว่าเหตุการณ์อันนั้นคืออะไรเขาวาที่บายได้แล้วเหตุการณ์เนี้ยจะมีแค่ไหนอย่างไรต่อเนื่องอย่างไร <S <S <ๆ S 1> คิดง่ายๆอย่างว่าใครที่ฟังข่าวว่าเออวันเนี้ยฝนจะตกเวลาเท่านั้นเท่านี้หรือไฟจะดับเวลาเท่านั้นเท่านี้แล้วจะเปิดอีกครั้งเวลาเท่านั้นอะนะโดยเหตุการณ์ที่มองออกหมดเลยแล้วแบ่งเวลาแล้วว่าไอ้ช่วงนั้นอ่ะตัวเองควรทําอะไรบ้าง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 กำจัดบาปอากุศลออกไปคือการเพิ่มพูนบุญกุศลนะกุศลสูบประสัสมภากิจคือการเพิ่มพูนบุญกุศลที่เป็นอย่างนั้นนะนีจะต้องมีที่เรียกว่ามีความดีรองรับเหมือนกันนะถึงจะทําได้ที่เรียกว่าศีลสัสมมาวาจาสัมมากามมันตะสัมมาอาชีวะรองรับรองรับพืนพ้นฐานเนี่ยนะถ้า ถ้ากล่าวตามมักในการปฏิบัติในชีวิตจริงเลยต้องทบทวนกันที่สัมมาวาจาสัมมากรรมมันตะสัมมาอาชีวะแล้วพัฒนาวกาจิตของเราคือละบาปบาเพ็ญบุญคือสัมมาวายามะสัมมาสติกำหนดวิจารณญาณวินิจฉัยแยกแยะให้ดีพร้อมไม่หมดอันนั้นก็เป็นสมาธินะก็เออเข้าไปเป็นสติสติอันนั้นทำให้จิตตั้งมั่นอุปจารสมาธิและ อปนาสมาธิพันธ์ความรู้ที่เกิดจากสุตตมยะยามทั้งหมดมาก็าเพื่อวิจัยอริยสัจกําหนดรู้สิ่งที่ควรกำหนดรู้ละสิ่งที่ควรละเนี่ยการรู้เหล่านั้นถ้าขาดวิตเข้าไปไม่รอดนันจะต้องเป็นขยันมากเป็นคนขยันวิตักกะเนี่ยนะนี่ยคำว่าวิตตกเป็นต้นต้องเพิ่มพูนปัญญาก็จะได้ทํากิจมากยิ่งขึ้นถ้าปัญญาดีกุศลวิตกดีทําให้ศีลบริสุทธิ์มากขึ้น เรียกว่าปัญญามาตามรักษาศีลนะตอนแรกไปรักษาศีลเพื่อให้มีปัญญาตอนหลังปัญญาเป็นเครื่องมารักษาศีลศีลที่มีปัญญาฟอกชําระท่านในอัตถกาถากรณียเมตสูตรเอาอธิบายว่าปัญญาเป็นเครื่องฟอกศีลนะศีลก็เป็นตัวฟอกปัญญามันกันเอามาซักนะเรียกว่าปัญญาชำระศีลชําระด้วยยานยานก็ชําระด้วยศีล